พุทธองค์ซึ่งท่านอาจารย์ได้สรุปเป็นบทกวีไว้เพื่อจำง่ายดังนี้หนึ่งผู้เอยผู้ใดลำพองใจประมาทมาก่อนแต่กลับตัวได้ไม่นิ่งนอนถ่ายถอนชั่วช้าส่างซาไปผู้นั้นเหมือนจันทร์วันเพ็นลอยเด่นดูงามอารามใสไม่มีเมฆงวงหมองเท่ายองใหญ่สองล่าทั่วไปสว่างเออย บาปเอยบาปกรรมที่ทำที่สร้างต่างๆเรื่องผู้ใดกั้นปิดอยู่เนืองนิดด้วยกุศลเป็นเครื่องประคองใจผู้นั้นเหมือนจันทร์วันเพ็นลอยเด่นดูงามอารามใสไม่มีเมกงวมองเท่ายองใหญ่สองล่าทั่วไปสว่างเอ่ยชายเอ่ยชายหนุ่ม ผู้ละห่วงรุมทั้งกายจิตตัดกิเลสครองเพศบรรพชิตประกอบกิจพุทธศาสตร์สะอาดใจผู้นั้นเหมือนจันทร์วันเพ็นลอยเด่นดูงามอารามใสไม่มีเมฆงวหมองเท่ายองใหญ่สองล่าทั่วไปสว่างเอ่ยสี่แล้วนะคะเขาจะมีเลขนำหน้าดิฉันไม่แน่แนใจว่าเป็นเป็นเลขนำคำบทบทกรองหรือเปล่านะคะสี่ สัตเอยศัตรูผู้มีอาฆาตมาตหมายเพราะเราก่อกรรมทำลายฆ่าสหายและญาติขาดชีวีจงฟังซึ่งทำภาษิทจงประกอบซึ่งกิจในศาสนาจงคบคนดีมีจัร ญ, ญาทั้งรักษาสัตาธรรมประจำเออย่า จงเอยจงหมั่นฟังขันติธรรมความอดกลั้นจงหัดผ่อนกโกรธพิโรธอันเป็นเครื่องกลางกั้นความสุขใจจงหย่าเบียดเบียนเคี่ยนข่าตัวเราและประชาให้หวั่นไหวจงศพความสงบเป็นนิสัยจงได้นิพานสำราญเออยหก ชาวเอยชาวนาตั้งหน้าไหน้ำด้วยความหมันช่างสอนก่อนจับลูกสอนพลันทาน้ำมันลนไฟดัดให้ตรงช่างไม้ถากไม้ไม่ละรถทำดุมวงกดรถตามประสงค์ส่วนบัณฑิตฝึกฝนตนจำนงให้ซื่อตรงบริสุทธิ์ผุดผ่องเออยเจ็ดนะคะ บางเอยบางคนฝึกฝนช้างม้าบรรดาสัตว์ด้วยลงอาญาสารพัดแท้หวดขอสั์สับลงไปตัวตูวผู้อันพระสัต์สดาทรมานจนมีจิตผ่องใสมิได้ใช้อายาใดๆโอ้พระคุณนี้ไซยิ่งเอยแปดนะคะตัวเอยตั ว, ต ว, ตวเราก่อนเก่าชื่อจริงอาหิงสกะ ผู้ไม่เบียดเบียนใครแต่ไม่ละการเข็นฆ่าปานะเพราะใจพานจึงไม่สมกับนามตามที่ตั้งแต่บัด น, นี้สมดังนามขนานเพราะเราเว้นเข็นฆ่าสัตว์สาธานไม่เบียดพานใครๆทั่วไปเอ่ย เกตัวเอยตัวเราก่อนเก่านั้นเคยเป็นโจรป่าองคุริมันสามัญยามีนิ้วมือชาวประชาเป็นมาลัยถูกห่วงน้ำห่วงใหญ่พัดไปอยู่คือพรั่งพรู ด, ด้วยกิเลสอนุสัยได้พระพุทธองค์ทรงชัยเป็นชัดใหญ่ร่มเกล้าของเราเอยสิบมือเอยมือฉันเคยกระสันสัตราเที่ยวฆ่าเข็นกลัง เลือดเหม็นข่าวทุกเช้าเย็นด้วยเห็นวิปริกผิดไปบัดนี้มือข่าวเราล้างแล้วผ่องแผ้วเพราะได้อาศัยคุณพระพุทธองค์ทรงชัยถอนตันหาเสียได้หมดสิ้นเอ่ย แล้วก็สิบเอ็ดนะคะผลเอ่ยผลกรรมที่เราได้ทำไว้นักหนามาสนองปัจจุบันเห็นทันตาต้องถูกขว้างปาแทบบัน ล, ลัยเจ็บปวดรวดร้าวทุกขุมขนจำทนอดกลั้นไม่หวั่นไหวบัดนี้หมดหนี้ได้เป็นไทยบริโภคอย่างไม่เป็นทาตเอ่ย ข้อสิบสองค่ะคนเอ่ยคนเขามัวเมาประมาทมิมีมสางบัณฑิตบันเทามัวจางดำเนินทางอันประมาทไม่ขาดตอนรักษาไว้ให้เหมือนทรัพย์ประเสริฐไม่ละเมิดสัทธธรรมคำสั่งสอนจงนำตนดลสุขสถาพรดังบัณฑิตผู้รอนประมาทเอ่ยสิบสามค่ะ อย่าเอ่ยอย่าประกอบความชอบชื่นใจในประมาทอย่าคลุกคลีหลงไหลในรสชาติแห่งการซึ่งมีธาตุความลวงผู้ไม่ประมาทเพ่งพินิษย่อมประสบสุขจิตอันใหญ่หลวงได้รู้แจ้งเห็นจริงสิ่งทั้งปวงไม่หลงสิ่งล่อลวงต่อไปเอ่ยสิบสี่ค่ะการเอ่ยการมาสู่พระาศาสนาของข้าเจ้า เป็นการมารที่ดีไม่เบาไม่เปล่าประโยชน์โสดถิคุณการตัดสินใจในครั้งนี้เป็นกุศลราศีประเศรศสริฐศุลนผลได้ทั้งผองคือกองบุญที่อดุลเด่นนั้นนิพานเอย่ยข้อสิบห้าค่ะ ยานเอยยานสามหรือที่มีนามวิชานีเราได้บรรลุปลุกปลงดีไม่มีภาระอะไรในพระาศาสนาตถาคตเพราะหมดกิจสิ้นสงสัยขอความสุขกเกษมปเปรมใจจงแพร่ไปในประชาทั่วหน้าเอยก็เป็นตัวอย่างของหนังสือที่ชื่อว่าใต้ร่การสาวพัคนะคะเป็นตัวอย่างบทกวีบทตอนที่ คัดออกมาตอนเด่นๆนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของกองทัพธรรมบ้างเขาบอกว่ากองทัพธรรมเป็นวรรณกรรมประเภทนวนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์สุชีพปุญญานุภาพได้เรียบเรียงหลังจากได้ประสบความสําเร็จอย่างงดเป็นหนังสือที่เหมือนกับมีแรงบรรดาใจที่จะให้ภรรยาของท่านเนี่ยนะคะได้นํามาจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่พพพนะคะ ก็อย่างที่เล่าไปแล้วเมื่อตอนต้นของหนังสือเล่ม น, นี้นะคะที่ภรรยาของท่านอาจารย์นี่ก็จะไปงานศพนะคะแล้วก็ไปเห็นหนังสือเล่ม น, นี้ยพอดีเลยนะคะแบบว่าอยู่บนโต๊ะโดดเด่นอยู่ในโต๊ะของท่านอาจารย์นะคะก็เลยตัดสินใจพิมพ์ ที่ภรรยาท่านเล่าให้ฟังบอกว่ากําลังเตรียมตัวจะไปงานสวดพระพิธรรมศพของท่านอาจารย์ที่วัดขณะที่เดินผ่านกองหนังสือก็ได้เห็นหนังสือใต้ร่มกาสาวพัฒนวางอยู่อย่างโดดเด่นเหมือนเป็นความปรารถนาของอาจารย์สุชีพที่จะให้พิมพ์หนังสือเล่ม น, นี้ซึ่งขณะนั้นก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเพราะว่าท่านเพิ่งสิ้นไปไม่กี่วันนะคะเหตุผลต่อมาที่จัดพิมพ์ก็เพราะว่าเป็นหนังสือเล่มแรกที่ท่านเขียนขึ้นในรูปจินตานิยาย ในสมัยนั้นเนี่ยจินตนิยายหรือว่านวนิยายอิงหลักธรรมยังไม่เคยมีใครเขียนมาก่อนค่ะจะมีก็แต่หนังสือที่ท่านเสถียรโกเศสและนาคาประที่แปลแต่ผู้เขียนก็เขียนไม่ตรงตามแนวหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสําหรับหนังสือเล่ม น, นี้สิทธิผู้หนึ่งของอาจารย์ท่านก็กล่าวถึงไว้ว่าอาจารย์เขียนโดยใช้สติปัญญาประกอบด้วยปณิธานอันสูงส่งเรียบเรียงบทประพันธ์สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อย่างบริสุทธิ์ปราศจากและที่อื่นเจอยบลใช้แนวคิดและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างหมดจดทุกระดับทั้งระดับต้นระดับกลางและระดับสูงนะคะก็เป็นหนังสือที่คุณเพนสุขปุญญาณุภาพเนี่ยจัดพิมพ์เพื่อที่จะเผยแพร่แจกในงานพระราชทานเพลิงศพนะคะของท่านอาจารย์ค่ะมาถึงบทที่สี่แล้วนะคะใช้ชื่อว่าชีวิตใหม่ เราอยู่ในเรื่องของใต้ร่มกาศสาวพัฒน์ะคะเป็นเรื่องขององค์คุริมาที่ฆ่าคนแล้วก็มาเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็กลับใจด้วยความที่ว่าเขาไม่ใช่เป็นคนชั่วมาตั้งแต่กําเนิดแต่ว่าเข า, เขาทําตามที่อาจารย์เขาสอนไว้ว่าให้ฆ่าคนให้ได้พันคนเนี่ยนะคะด้วยความที่อาจารย์เนี่ยไปเชื่อสิทธิอื่นที่ยุยงว่าสิทธคนนี้แหละจะมาล้างอาจารย์จะมาล้มท้างอาจารย์ก็เลยสอนสิทธ ไม่ไปฆ่าคนเลยนะคะองคุลิมานก็ได้ความที่เคารพรักอาจารย์แล้วก็เชื่อฟังก็ฆ่าคนจนมาพบพระพุทธเจ้าเลยค่ะเกือบจะครบพันนิ้วแล้วเหลืออีกหนึ่งนิ้วนะคะพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงโปรดทีนี้มาถึงบทที่สี่ชีวิตใหม่ค่ะ ริมาณตามเสด็จพระผู้มีพระภาคตามทางเรียบลำน้ำอาจิราวดีแม่น้ำอาจิราวดีนี้ก็จะไหลผ่านเมืองสาวัตถีนะคะมาพำนักอยู่นเชตะวานารามซึ่งมีบริเวณกว้างขวางถัดจากพระคันทะกูดีไปไม่ไกลนักจะลาเห็นธรรมสภาอันใหญ่โตมองดูวิจิตรงดงามด้วยสีมือแห่งนายช่างเป็นสถานสำหรับ ประชุมพุทธบริษัทในเวลาสะดับพระธรรมเทศนาและกล่าวธรรมมาสากัจชาถัดไปอีกด้านหนึ่งมีวิหารใหญ่มีเรือนคลังสำหรับเก็บของสงมีอุปฐานศาลาคือโรงฉันซึ่งยกพื้นกันน้ำท่วมในคราวน้ำหลากมีกุฏิสำหรับพิสุอยู่ได้รูปเดียวเป็นกุฏิไม้บ้างกุฏิก่อด้วยอิฐหรือศิลา และโบกด้วยดินผสมวัตถุอื่นบ้างสร้างเป็นระเบียบไกลออกไปนับด้วยจำนวนร้อยจำนวนพันมีระหว่างห่างกันเพื่อเป็นทางเดินและเป็นที่จงกรมบำเพ็ญสมณธรรมมีโรงจงกรมวงเล็บจังกะมะนัสสาลาสำหรับใช้ในหน้าน้ำและหน้าฝน มีต้นไม้รายเรียงทั่วบริเวณพอได้อาศัยร่มเงาในคิมหาฤดูมีสระน้ำใสสะอาดในที่ใกล้มีชันตาคะระเรือนไฟและชันตาคะระสาลาโรงแห่งเรือนไฟสำหรับอบกายพิงไฟในคราวหนาวจัดมีอักคะสาลาโรงไฟสำหรับต้มน้ำใช้น้ำฉันและซักสุจีวรจะเห็นว่าหน้าเนี้ย มีคำแปลกๆเยอะนะคะอาจารย์ท่านอธิบายไว้ข้างล่างว่าสับสถานที่อันเกี่ยวกับไฟมีหลายสับดังนี้หนึ่งชันตาคารเรือนไฟสำหรับอบกายผิงไฟเป็นที่มิชิดมีประตูหน้าต่างสองอักขิสาลาโรงไฟสำหรับต้มน้ำเป็นต้นทรงอนุญาตเพื่อมิให้เที่ยวติดไฟไม่เป็นที่ แล้วก็มีอักขิหะตะสาลาหรืออักขิโหตะตะสาลาโรงบูชาไฟสี่อักขยาคาเรือนบูชาไฟอักิยานะหรืออักิยาปนะหรืออักิยายตนะโออีกเยอะแยะเลยค่ะเป็นโรงโร ง, งหรือเรือนบูชาไฟจะเห็นว่าศัพท์ต่างๆนี่ก็คือคล้ายๆกับว่าเป็นโรง ที่สำหรับพวกจุดไฟให้ความอบอุ่นในฤดูหนาวแบบนี้นะคะคิดว่าเป็นความหมายนั้นเชตวนารามสะดวกด้วยน้ำที่อยู่และโคจรคามทั้งเป็นที่สงัดจากชุมนุมชนทุกรองเรือนชนี้จึงเหมาะสำหรับเป็นพุทธนิวาสถานและควรแกการอยู่อาศัยของบรรพชิตผู้ปรารถนาความสงบทั่วไป ท่านองค์คุลิมานได้พำนักอยู่นกคูดีน้อยหลังใดหลังหนึ่งในเชตาวนารามนี้ชีวิตใหม่ของท่านตรงกันข้ามกับที่เป็นมาแล้วความเป็นไปในครั้งก่อนคือเรื่องจับอาวุธประหัตประหารผู้อื่นอย่างเยี่ยมโหดเห็นใครก็นึกแต่จะเพิ่มพวงนิ้วให้ยาวออกไปแต่ในบัดนี้ท่านได้รับอบรมให้เอื้อเฟื้อแม้ในชีวิตของสัตว์เล็กที่กวนกัดให้รำคาญ น้ำใช้น้ำฉันก็จะต้องตรวจตราและกรองเสียก่อนเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิตของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำนั้นกริยาอาการทั้งกายและวาจาก็ต้องให้อยู่ในระเบียบมารยาทที่ดีมีแต่ความสุภาพไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและคนอื่นในทางจิตใจซึ่งนับว่าสำคัญยิ่งพระตถาคตเจ้าก็ทรงสั่งสอนให้คอยตั้งสติสํารวม ไม่ให้ยินดียินร้ายไปตามอิทธารมหรืออนิทธาธารมทั้งทรงสั่งสอนให้รู้จักคาว่าเมตตากรุณาอันเป็นคำไพเราะและอำนวยความร่มเย็นเป็นสุขแก่สัตวโลกนอกจากนั้นยังทรงชี้แจงให้เห็นโทษของความเครือเคริม่มในเครื่องล่ออันเป็นทุกข์แต่ลวงให้เห็นเป็นสุขโทษของความมุทะลุดุดัน และโทษของความหลงไหลในวัยในอายุตลอดจนถึงยศศัก์สมบัติจนลืมตัวลืมตายวันหนึ่งพระองคุลิมานไปบินธบาีในเมืองสาวัตถีได้พบสตรีมีคันแก่จวนคลอดเดินได้ความลำบากก็เกิดความกรุณารำพึงว่าสัตว์เหล่านี้เป็นผู้ลำบากยิ่งหนอครั้นปัจฉาพัฒกลับไปสู่เชตวนาราม จึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลความเรื่องนั้นให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าองคุริมานเธอจงไปที่สตรีนั้นและกล่าวว่าดูก่อนน้องหญิงเพราะเหตุที่เราไม่ได้แกล้งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งรู้อยู่ด้วยสัจจะนั้นขอความสวัสดีจงมีแก่ตัวท่านและบุตรในคันของท่านดังนี้จะไม่เป็นมุสาวาดไปหรือพระเจ้าค่ะ เพราะเท่าที่ข้าพระองค์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาแล้วนั้นล้วนมีเจตนาและรู้อยู่ทั้งสิ้นถ้าอย่างนั้นจงเพิ่มคําบางคําให้ชัดขึ้นเถิดองค์คุริมานเธอจงกล่าวว่าดูก่อนน้องหญิงเพราะเหตุเราผู้เกิดแล้วโดยอาริยชาติมีได้แกล้งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งที่รู้อยู่โดยสัจจะนั้นขอความสวัสดีจงมีแก่ตัวท่านและบุตรในคันของท่านดังนี้ รุ่งขึ้นพระองค์คุริมานไปที่หญิงนั้นก็กล่าวสัจวาจาวาจาตามที่พระตถาคตเจ้าทรงสอนไว้ทุกประการหญิงนั้นก็คลอดบุตรโดยสะดวกและมีความสวัสดีทั้งมารดาและทารกนี้แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงแห่งอัธยาศัยของพระองค์คุริมานประการหนึ่งในสมัยที่ดวดแล้วเพียงเห็นสตรีมีคันเดินลําบากก็ให้เกิดความสังเวชกรุณาในผู้เช่นนั้น อันตรงกันข้ามกับอดีตการ์ซึ่งกล่าวมาแล้วมีเพื่อนพรหมจารีหลายรูปซึ่งเคยพบเหน็นกันกับพระองคุริมานในที่เฝ้าพระผู้มีพระภาคบ้างทำนับอยู่ในกุฏิใกล้เคียงบ้างพากันมาสนทนาปราศัยตามโอกาสท่านเหล่านี้มีชีวะประวัติต่างๆกันบางรูปเป็นบุตรเศรษฐีขรคฤหบดีบางรูปเป็นพราหมณ์เจ้าลัทธิ ซึ่งลักความเห็นเดิมของตนขอบรรพชาอุปสมบทบางรูปเป็นผู้เกิดในตระกูลที่ถือกันว่าต่ำทรามแต่เมื่อมาอยู่ภายใต้พระธรรมวินัยนี้ท่านเหล่านั้นก็เคารพกันตามพรรษายุการไม่มีผู้ใดกระด้างกระเดื่องถือตัวเพราะชาติเพราะทรัพย์เป็นต้น บ่ายวันหนึ่งพระองค์คุลิมานนั่งอยู่ในร่มไม้ข้างกุฏิมีพิสุปูณมัตฉิมะรูปหนึ่งซึ่งอยู่ในกุฏิใกล้เคียงและรู้จักกันเดินเข้ามาพระองค์คุลิมานยืนขึ้นต้อนรับนิมนต์ให้นั่งร่วมปราศัยกันเมื่อทั้งสองได้นั่งลงณนะที่สมควรแก่ตนแล้วพิสุรูปนั้นจึงกล่าวขึ้นผู้มีอายุเหล่าพิสุซึ่งอยู่ในที่เฝ้าพระผู้มีพระภาค ย่อมได้เห็นได้ฟังเหตุการณ์ต่างๆและพระพุทธโอวาสปรารบเหตุนั้นเป็นนิดผู้มีอายุวันหนึ่งมีพิสุชาวชนบทประมาณสามสิบรูปเดินทางมาแต่แดนไกลเพื่อถวายบังคมพระตถาคตเจ้าพิสุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องที่ตอนเที่ยวบินทบาทไปทางเรือนจำเห็นโจนหลายคนถูกจกกับกลุมเข้าเครื่องจองจามีโซตรวน คือคาเป็นต้นจนเหล่านั้นลำบากแม้ที่จะขยับขยื่นกายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสุท์ทั้งหลายเครื่องผูกเหล่านั้นยังอาจตัดหรือแก้ออกได้ไม่ยากนักพิสุท์ทั้งหลายมีเครื่องผูกอีกอย่างหนึง่งที่ผูกหย่อนหย่อนแต่จะแก้หรือเปลื่องให้พ้นได้ยากสิ่งเหล่านั้นคือทรัพสมบัติบุตรภรยาของผู้บริโภคกา ร, รม แม้จะไม่ผูกมัดร่างกายดังเครื่องจองจําคงปล่อยให้ไปในที่ต่างๆได้แต่เครื่องผูกเหล่านั้นก็รึงรัดจองจําใจของสัตว์เหล่านั้นให้ติดให้เดือดร้อนกระบวนกระวายอย่างยากที่จะแก้ไขผู้มีปัญญาเท่านั้นย่อมลักตามสุขสัตว์เครื่องผูกเหล่านี้ออกบวช ผู้ที่ยังติดอยู่ก็จะต้องทนให้เครื่องจองจำดังกล่าวนี้รัดรึงเดือดร้อนตลอดไปสิ้นกาลนานขณะที่พระองคุริมาณฟังอยู่ด้วยความสนใจนั้นพิสุรูปที่เล่าก็บอกให้ดูพิสุหลายรูปผู้กำลังเดินมาจากพระคันทะกูดีจะไปยังที่พักด้านตะวันออก พระองคุลิมาจำได้เพียงรูปเดียวคือพระทัพพระมละบรซึ่งเดินเป็นที่สองรองจากพระเถระผู้เท่าซึ่งนำหน้านอกจากนั้นยังมีพิสูจน์แปลกหน้าอีกเป็นอันมากเดินตามมาพระองคุลิมารู้จักพระทัพ พ, ะะพระมลบทเพราะท่านเป็นเสนาสห์คาหาปะกะ ผู้จัดเสนาสนะสําหรับพิสูจน์ทั้งหลายในเชตะวนารามวันแรกที่มาถึงพระผู้มีพระภาคก็มอบให้พระทัพพระมละบุตรนําท่านพระองค์คุริมาลมาพักณกุฎีตรงนี้และท่านพระองค์ุริมาล น, นั้นตั้งใจว่าเมื่อได้ศึกษาข้อวัดและกรรมาฐานในสํานักพระผู้มีพระภาคแล้วก็จะได้ปรีกไปอยู่ณเสนาสนะป่าต่อไปผู้มีอายุ พระเถระผู้เท่าซึ่งเดินนำหน้าพระทัพพระมละบุทนั้นคือพระมหากัสปะผู้ถือการอยู่ป่าทรงผ้าสามผืนและถือบินธบทเป็นวัดวันนี้ท่านคงเดินทางมาแต่ไกลเพื่อถวายบังคมพระผู้มีพระภาคส่วนพิสุท์ทั้งหลายที่ตามมาข้างหลังนั้นคือสัตธิวิหาริของท่าน พิสุรูปนั้นบอกแก่พระองคุริมานแล้วกล่าวต่อไปผู้มีอายุพระเถระทั้งหลายที่ให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรและแสดงธรรมสั่งสอนประชุมชนนาคามนิคมชนบทราชธานีนั้นๆย่อมถือเป็นวัดทีเดียวในการมาเยี่ยมถวายบังคมพระสัสดาตามโอกาสอันสมควรการใดท่านม่ได้มาเมื่อสัตย์ที่ วิหาริอันเตวาสิกรของตนเข้าไปลาเพื่อเดินทางมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคการนั้นท่านย่อมสั่งลทัทธิวิหาริอันเตวาสิครเหล่านั้นให้ถวายบังคมพระศาสดาแทนตนและกราบทูลว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเทระชื่อนั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวดังนี้ เมื่อพระมหากัสสปะเดินเข้ามาใกล้พระองค์คุริมาและพิสุรูปนั้นก็ลุกขึ้นยืนถวายนมัสการพระเถระหยุดยืนป้องหน้าถามนามและถามถึงผาสุขวิหารความอยู่เป็นสุขพอสมควรแล้วก็เดินต่อไปก่อนที่จะกลับสู่กุดีของตนพิสุรูปนั้นได้กล่าวกับพระองค์คุริมาว่าผู้มีอายุ พระมหากรสปะเป็นผู้มาสู่พระธรรมวินัยนี้ในวัยชราแต่ก็ประพฤติปฏิบัติเข้มแข็งไม่ย่อหย่อนพระทัพพระมรบุตรแม้อายุจะยังน้อยแต่ก็ได้บรรลุพระอรหันต์ในวัยแรกท่านปารกความที่ตนมีกิจที่ควรทาได้ทำเสร็จแล้วในการประพฤติธรมาจันทร์สมควรที่จะบำเพ็ญประโยชน์อย่างอื่นแก่พิษุบริษัทต่อไปอีก ชิมทูลขอรับหน้าที่เป็นผู้จัดเสนาสนะและผู้แจกอาหารซึ่งพระผู้มีพระภาคก็โปรดให้สงสวดสมมุติด้วยยติทุติยกรรมแต่สมัยที่ยังประทับอยู่นาเวลุวนารามเมืองราชครึกท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่เพื่อนโรมจารีพึงถือเป็นทิฏฐานุคติ วันนี้ท่านพระมหากัสริยมาถึงเชตวนารามและเวลาค่ำอันเป็นเวลาที่พิสูจน์ทั้งหลายสดับพระพุทธโอวาสเราคงจะได้ฟังพระธรรมเทศนาและการโต้อตอบปราศัยระหว่างพระองค์กับพระสาวกผู้ใหญ่โดยพิเศษผู้มีอายุเราสนานกายในเวลาเย็นเสร็จแล้วจงไปธรรมสภาพร้อมกัน รั้นเวลาค่ำเมื่อพิสุทั้งหลายประชุมพร้อมกันณธรรม ส, สภาแล้วพระผู้มีพระภาคเสด็จจากพระคันธกูดีมาประทับณพุทธอาดก่อนที่จะตรัสเทศนาสอนพิสุบริษัทพระมหากัสปะซึ่งอยู่ณที่นั้นก่อนแล้วก็เข้ามาถวายอภิวาดและนั่งณที่ควรส่วนหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่า พระเจ้าข้าอะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้พิสุตั้งอยู่ในพระอรหันต์ตผลมากขึ้นและน้อยลงดูก่อนกสปะเมื่อสัตว์เสื่อมลงและพระสัทธรรมกำลังอันตรานพิสุผู้ตั้งอยู่ในพระอรหันต์ผลก็น้อยลงพระสัทธรรมจะไม่อันตรทานตราเวลาที่สัทธรรมปลอมอยังไม่เกิดขึ้นในโลกดูก่อนกสปะ ในการใดสัธทธธรรมปลอมเกิดขึ้นในโลกในการนั้นพระสัธทธธรรมย่อมอันตรทานไปเปรียบเหมือนเงินทองที่บริสุทธิ์จะไม่อันตรธานตราเวลาที่เงินทองปลอมยังไม่เกิดขึ้นในโลกในการใดเงินทองปลอมเกิดขึ้นในโลกในการนั้นเงินทองที่บริสุทธิ์ย่อมอันตรทานดูก่อนแต่สปะาธาตุดิน หาทำพระสัจธรรมให้อันตรทานได้ไม่ธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมก็ทําพระสัจธรรมให้อันตรทานไม่ได้เช่นเดียวกันโดยที่แท้ผู้ที่จะทําพระสัจธรรมให้อันตรทานนั้นคือโมคะบุรุษวงเล็บบุรุษเปล่าซึ่งเกิดขึ้นในธรรมวินัยนี้แลดูก่อนกัสปะเหตุที่พระสัจธรรมลเลื่อนอันตรธานมีอยู่คือพิสุ ิสุนีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ไม่เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เคารพในการศึกษาและไม่เคารพในสมาธิเหตุที่ทำให้พระสัจธรรมตั้งมั่นไม่เลอะเลือนอันตรทานพึงทราบโดยในตรงข้ามนั้นแหละ คุณนุฟังคะดูหนังสือบทนี้แล้วนะคะก็ยังมีเหลืออีกประมาณสามหน้าถ้าเร่งอ่านไปเนี่ยเดี๋ยวคุณนุฟังก็จะไม่ได้รับรสแห่งธรรมเลยหรือว่าฟังไม่ทันเพราะว่าบางคำนี้ไม่ได้แปลนะคะแบบว่าเป็นภาษาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะคะในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆ อ, อ, อ่านกันไปละกันใจเย็นๆนะคะเพราะคราวที่แล้วเนี่ย มีเวลาให้กับเพลงบเพลงน้อยมากเดี๋ยวคราวหน้าวันเพื่อสั ป, ปดาห์หน้านะคะถ้าชื่นชอบหนังสือเรื่องได้ร่วมกนานเสวพัฒน์แล้วก็อยากที่จะฟังอีกเพื่อสั ป, ปดีหน้ากลับมาฟังกันอีกค่ะแต่ว่ารายการสุนทรศรีมีทุกวันนะคะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาอ่านหนังสือดีๆให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังเพราะว่าแน่นอนค่ะใครที่ตื่นะช้าแบบนี้ ไม่มีเวลาแน่นอนที่จะทํามานั่งอ่านหนังสือนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีภา ร, รกิจถึงตื่นเช้าเพราะว่าตีสี่นี้เป็นเวลาที่แบบอืกําลังนอนหลับสบายเลยแต่าบางท่านเนี่ยถ้าทํางานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนี่จะต้องไปแต่เช้านี่ก็ต้องเตรียมตัวนะคะก็เลยจะต้องทําอย่างอื่นไปด้วยฟังวิทีุวไปด้วยก็เป็นเพื่อนยันไปนะคะแล้วก็มีหนังสือดีๆมานั่งอ่านสู่กันฟังค่ะก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะทิ้งท้าย